เรื่องระดมธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยข้าขออํำหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพระสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันภาวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่ง การแสดงธรรมเทศนาธรรมิการะะกาปาทกทาธรรมก็ต้องเกิดมีขึ้นอีกเป็นประจำตามปกติของรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้วันนี้อามารได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปกับคบาอาจารย์หลายหลายท่านก็เป็นนวาวันพระวันนี้ ท่านที่มีโอกาสเปิดแบบวิทยุรับฟังรายการอยู่ก็ขอให้ในต่างอกต่างใจฟังสนใจฟังกันหน่อยเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้จะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนา สืบต่อไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องเสียเงินค่ากันเทศดอกตั้ง อ, อกตั้งใจฟังกันก็จะเป็นการดีถ้าเมื่อวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมีคาถาในเรื่องแปลกแปลกที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินแต่บางครั้งบางท่านก็อาจจะเคยได้ยิน เรื่องที่จะนำมากล่าววันนี้มีหัวข้อว่าระดมธรรมระดมธรรมฟังแล้วก็พิลึกกึกกือเอามาอีกแล้วเอาอะไรมาพูดท้งหนึ่งลายจะคิดอย่างนี้เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนี้โลกได้เจนก้าวหน้า วิทยาศาสตร์มันกล้าไปไกลอะไรอะไรมันก็รู้เท่าทันถึงกันหมดโลกนี้แค่ไปทันนักความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนี่แหละทำให้คนเรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นกันจนลืม เงื่อนไขของชีวิตว่าเราจากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกสลายต้องพัดผ่าจากสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นเมื่อเราลืมเงื่อนไขอย่างนี้เราก็เหมือนกับคนตาบอดเหมือนกับคนหูหนวกคือตาบอดภายในไม่ใช่ตาบอดภายนอกตาในลืมไปว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ ไม่เกินร้อยปีเราก็จะบกมืออำลาญาติมิดหลวงอาทิตย์สตุกูเวนเข้าเลิฟแห่งชีวิตลืมไปว่าปากนี่ท้องน้อย น, อยนี่มันกินไม่ได้มากอหรอกไม่เกินยี่สิบห้าคำเอา้าตีซะอย่างมากอย่างอธรรมานี่ตามปกติถ้าจะให้พอดีพงงามสิบแปดคำนี่ก็หนักหน่วงแล้ว ถ้ามีของหวานด้วยแล้วก็หนักเลยถ้าปกติธรรมดามีของหวานด้วยก็ต้องลดลงมาสิบสี่คำแล้วก็เติมของหวานเติมน้ำวันละครั้งเดียวนะก็พออยู่แล้วไม่พร้อมไม่เป็นโรคขาดอาหารทองของคนเรามันไม่มากมายแต่ความอยากมันใหญ่มากหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกับจะกินทีและก็ บ, บุ้งทีแล้วก็ซอบ มันเป็นอย่างนี้โลกนี้จึงเต็มไปด้วยความดิน้นรนยือ้อแย่งสแสวงหาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจนพูดกันไม่รู้เรื่องในวงการหนึ่งในคณะหนึ่งในหมู่หนึ่งแค่มีปัญหากันขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเป็นประจำโลกทุกวันนี้กำลังบูชาเศรษฐกิจและการเมืองหายใจเป็นการเมือง ภูหลกักนาดสองสารหาใจเป็นการเมืองด้วยความเห็นแก่ตัวมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเข้าไปน้ำท่วมพายุทล่มแผ่นดินไหวหูเขาไฟระเบิดแผ่นดินสุดอะไรต่างๆถ้าใครเป็นรัฐบาลคณะไหนเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีถ้าไปช่วยแก้ไขช้าหน่อยก็ถูกโจมตีด่าว่าไม่เอาใจใส่ไม่เลี้ยแล ถ้ารีบเอาใจใส่น้อยมีอะไรก็้นไประดมไปทุ่มไปก็บอกกวาหาเสียงอีกแล้วการเมืองขึ้นสมองงโลกทั้งโลกกำลับงบูชาการเมืองเศรษฐกิจและการเมืองอะไรอะไรก็เป็นไปเพื่อเศ ร, รษฐกิจและการเมืองทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละโลกในยุค ป, ปัจจุบันนี่ เพราะเหตุนั้นคำว่าระดมธรรมก็เลยเกิดขึ้นมาวันนี้จะพูดเรื่องระดมธรรมระดมธรรม <c oughs> มีพระหลายสำนักขยายอาณาจักรสู่ความเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมขณะที่ชาวบ้านคนตักบาทไร้ข้าวสารเกาะหม้อ <c oughs> พระกับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีรถมีเรือมีอะไรขี่กันอยู่ดีกินดี นี่ก็มันหนักไปทางเศรษฐกิจอีกเมืองการไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นนะโลกกำลังบูชาเศรษฐกิจและการเมืองการศึกษาก็เป็นไปเพื่อเศรษฐกิจและการเมืองพอพูดถึงเรื่องธรรมะขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าสนใจกันน้อยแต่ในยุคปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกดีการเมืองก็ดีมันได้ลงโทษมนุษย์ มนุษได้รับความเดืร้อนวุ่นวายโลกประสาทมากขึ้นโลกบ้ามากขึ้นสถิติการอย่าล้างมากขึ้ น, นอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกอีสานเรายัางเป็นแชมคนเป็นบ้าเป็นแช่มโลกจิตมากกว่าภาคอื่นทางนี้และทางนั้นก็หอนอเนื่องมาจากเศรษฐกิจนั่นเองเศรษฐกิจที่เรากําลั ง, ลงหลงไหลบูชากันนี่แหละเราเข้าใจเศรษฐกิจ กัน่คือการได้มาได้กําไรมีอยู่ดีกินดีที่สุดคือเศรษฐกิจดีแต่คาว่าเศรษฐกษษิจจริงๆมันเป็นภาษาบาลีอย่าทำเป็นเล่นไฟเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำเศรษฐกิจแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐไม่ได้หมายความว่าการกระทำที่ต้องได้กําไร มากๆลงทุนน้อยน้อยได้อยู่ดีได้กินดีไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงการกระทําที่ประเสริฐกระทําที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแสวงหาได้มาช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ได้มาและกินแต่พอดีอยู่แต่พอดีไม่ใช่กินดีอยู่ดีหากินดีอยู่ดีนั้นมันสนองกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้น เมื่อโลกบูชาเศรษฐกิจชนิดที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีมีกำไรมากๆขาดทุนน้อยๆแลือไม่มีโอกาสขาดทุนเลยขยายไปสู่ความเป็นนิกก็จะถูกนอกกันเมื่อไรไม่ซ้ำโลกก็ขาดแคลนทำไปทุกที่ทุกทีโลกในขณะนี้กำลังขาดแคลนธรรมาโลกกาลังขาดทำกาลังกำลังหันหลังให้แก่ธรรม กำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่คนในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่และลูกๆไม่ต้องพูดถึงคนในหมู่บ้านคนในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศทั้งหมดมันขาดทำก็เลยวันนี้ขอพูดเรื่องระดมธรรมระดมธรรมสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาพูด <c ười> คือเรื่องนี้มีคนจัดกันมา เป็นภาษาเป็นคำใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ได้ข่าวว่าเป็นพวกนักวิชาการในกรุงเทพนุ่นแหละสักก่อนแล้วก็เลื่อยไปโสสํานักพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมีบทบาทในสังคมช่วยเหลือสังคมที่ท่านมีกูดวินหน่อยที่คนรู้จักท่านจัดงานระดมธํามกันอาดมาเป็นคนป่าคนจรองไม่ค่อยจะรู้ แต่ก็ได้ยินคำนี้มานานว่าระดมธรรมจัดงานระดมธรรมก็เอราดีปีนี้พ อ, อยังไม่ถึงสิ้นปีก็มีคนมานิมนต์จากที่ไกลไกลระเดิมจังแดมจังหวัดชัยภูมิมานิมนต์เพราะว่านิมนต์ท่านไปป่าตะกระถางานระดมธรรมนี่มีระดมธรรมขึ้นมา ฟังชื่อก็ดีนะมีความหมายอยู่ในตัวที่นี้ต่อมาเองเวนานก็มีมาจากมหาสารคามแล้วเมือม่อเวนานมานี่ก็มาจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตราดเป็นพระเป็นพระครูเจ้าอาวหัดวัดใหญ่เป็นพระครูด้วยมีรถประจำวัดให้คนขับพามาไม่เคยมาก็ต้องมาบุกมา ถึงวัดยูนในป่าเนี่ยท่านบอกว่ามาตามเสียงชาวบ้านเรียกร้องทางเมืองตราดอยากจะให้มานิมนท์ท่านไปแสดงป่าตะกะท้าทำในงานระดมธรรมหนาว อ, อีกแล้วระดมธรรมอีกแล้วระดมธรรมกันห้าวันห้าคืนใหญ่โตมาฮอลันเรียกว่า ง, งานมหากรรมเลย แตนี้ธรามาทางพวกเรานี่ไม่ค่อยจะได้ยินกันสกลนครนครพนมขามกดาหารโซนของเรานี่หนองคายไม่ค่อยจะได้ยินแต่ที่ไม่ได้ยินนั้นไม่ใช่หม่มีนะมีเหมือนกันพระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาปัญญาพรวัดเนินพนาจังหวัดหนองคายท่านจัดทุกปีพระเดชพระคุณพระครูพิสารธรรมมาพานีวัดป่าเรไรบ้านเชียงท่านก็จัด ระดมทำกันทุกปีแต่พวกเราก็มีความรู้จักน้อยเริ่มจะมีขึ้นแต่ปีนี้มีมาในมนแต่นั่นน่ะอารหมาก็ถามว่าท่านรู้ได้อย่างไงผมอยู่ที่นี่ชาวบ้านเมืองตราดเมืองจันทน์นรู้ได้อย่างไรท่านบอกว่ามีเทพนเอาไปขายเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิภาวนา และมีคนซื้อไปฟังที่วัดที่ว่าเยอะอ้าวเป็นสั ง, งั้นไฟเกิดไปได้ยังไงเรายังไม่เคยเลยเขาวาีขายมีคนซื้อไปแล้วขายก็เรียกร้องจนถึงกับลบเล่าให้ทันพระโกมานิมนต์ให้ไปแสดงทำในงานระดมธรรมพอพูดถึงระดมธรรมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า น, น่าจะพูดในพี่น้องชาวบ้านเรา สกลนครนครพนมมกดาหาน้องคายอุดรของเรานี่ได้ทราบมากๆากขึ้นพวกเรารู้จักบุญพระเวศสันดรกันยิ่งใหญ่มโหาลาญบุญมหาชาติข่าควายสิบตัวกินเหล้าดูหนังดูละครเมากันสามวันสามคืนนันบุญมหาชาติพระเวศสันดอนข่าวกันนาปลาเขึ้อนบ้านเดินสามข่อยเจ้าหัวค่อยปั่นกับตีเดินสี่ข่อยเน้นหน่อยเทศมาที่ รู้จักการดีเหลือเกินพาเวกประจําปีมีกันร้อนแห้งันล่ำฟ่อนพะเจ้าฟอนกันต้นมหาพลไก่ี่เทียงเซ็งมาลึกถึกถึงให้เมืองบ้านสุมเย็นรู้กันดีบุญกระทินส น, นุกสนานการซอยแส่ซกเล็กลาบเลือด <c oughs> เลิกกันไม่ได้เอารู้จักกันดีบุญเหล่านี้นอกจากนั้นก็มีเพิ่มกันมาอีกโอเวอร์เอ็กซ์ตาบุญเน่ะเยอะแยะไปหมดเลย ลอยกระทงเดือนนี้ก็เอาอีกแล้วฮิตกันเลือกคืนวันก่อนมาจากไปเทศเอาทางจังหวัดน้องคายไปเทศทางเซกาไปมาจากทางเมืองน้องคายแล้ไปเทศในคุกมาตื่นเห็นแห่กันไปลอยกระทงไอล้ลอยกระทงนี่พึ่งจะเฮอกันขึ้นมาใหม่ดอกในผ้าอีสานเหล่านั้นมันไม่ค่อยมีขอบอกตรงต เขาบอกตรงๆเห็ุไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนจะถือว่าเป็นประเพณีอย่างไรก็ตามใจเธอแต่การลอยกระทรงนั้นเป็นประเพณีของชาวฮินดูเขาพวกศาสนาพราม์เขาเขามีประเพณีทีปวาลีลอยประทีปลงในแม่น้าเพื่อบูชาพระนารายณ์บันทมศินในสะดือทะเลน่นเมื่อวันเพ็ญเดือนสิบสองชาวอินเดียก็ทำมานานแล้ว ก่อพุทธศาสนาของเราจะเข้ามาในประเทศไทยในชาวอินเดียเขาก็มีประเพณีทีปาวารีอืมการจุดบ้องไฟบ้องไฟเขาก็มีเรียกว่าบูชาแม่อักขันีเขาก็มีมาก่อนไม่ใช่คนไทยเราทําแต่พวกเราก็เอากันต่อมาวัฒนธรรมสายนี่มันก็เข้ามาทางเรือเรือแพทางผาคกลางทางปักใต้ พวอินเดียร่องเรือมาซื้อเครื่องหองกรรมกํายานมาค้าค้ายทองคำอ่างเรือข้ามอ่าวเบงกอนอ่าวมัตตมะเมตมะอ่าวเบงกอนมาหนี่เรียบลงมาทางนามาหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขึ้นมาทางระ น, นองทางนี้ยหรืออ้อมแลมลงไปนู่นก็มาเข้าทางอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปจนถึงกัมพูชาในอินเดียมาสายนี่วัฒนธรรมอินเดียมาสายนี่แล้วก็ได้นํามาเผยแพร่เรื่อยๆพี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องชาวอืมปักใต้มีวิธีลอยกระทงมาก่อนภาคอีสานได้รับวัฒนธรรมฝ่ายอินเดียนี้ก่อน เขาจะมีการแต่งเพลงร้องวันเพนเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายยิ้งสนุกกันจริงวันลอยกระทงนั้นมันก็ถูกทางภาคกลางทางปากักใต้น้ําทะเลขึ้นมันนุนในวันเพนเดืินสิบสองน้ำมันก็นองเต็มตะลิงเขาก็ลอยกระทงพาอีสานแล้วก็วันเพนเดินสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงเอามาร้อมก็เหมือนเอากล้วยซุกจำประแดกบองไก่กันเขินตั้งยันโตนจุดเลย มันเต็มตลิ่งที่ไหนเลยน้ํำภาคอีสานวันเพน็ญเดือนสิบสองน้ำสงขามก็จะแห้งน้ําคองกงวดยัง จ, จะมานองเต็มตะลิง่งก็ร้องเฮอเฮ่กันไปงั้นทั้งนี้นทัอะไรทางนั้นก็เพื่อได้สนุกสนานกันนั่นอีกอย่างหนึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เราก็ยังรู้ดีแต่คําว่าระดมธรรมนี่เราไม่รู้เรายังไม่ได้ยินกันเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเอามาพูดวันนี้ แต่ดิเขามีงานใหม่ก็เลยว่างานระดมทมอาตมาได้รับนิมนต์ไปเทศหลายจังหวัดแต่เดี๋ยดิเี๋ยดิจะจองมามานิมนต์กันไกลถึงจังหวัดจันจังหวัดตราดเพื่อไปปารถกระทาในงานระดมทำจึงใครอยากจะนาํามากราบที่นี่ให้พวกเราได้ทราบ พ, พี่น้องเราชาวตกณนคร น, นครพนมมุกดาหารน้องคายอุดรและนี่เราน่าจะรู้จักคํานี้แล้วกันหน้าสนใจน่าจะทํา ก็ขออธิบายขยายความว่าระดมธรรมคืออะไรทําไมจึงต้องระดมธรรมและระดมธรรมในเพื่ออะไรและจะระดมธรรมโดยวิธีใดอาจมานึกอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยๆไว้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่จะนํามาพูดต้องถามว่าอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดกันให้เข้าใจเขาว่าระดมนี่คําหนึ่งธรรมนี่คําหนึ่ง ระดมทําคืออะไรครําว่าระดมในพอจะเข้าใจมีอะไรต่ออะไรก็ทุ่มเทกันมาอย่างระดมกองกำลังทหารไปประจันบานแนวหน้าไปยันชายแดนเอาไว้ไปตรึงชายแดนเอาไว้มีกำลังเข้าไรทบเข้าไประดมเข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าระดมกองกำลังทหารระดมพลเรียกร้องพวกที่เป็นทหารเกณฑ์พวกที่ปลอดออกไปแล้วที่เป็นกองหนุนอะไรต่างๆกองนอชอกองหนุนแห่งชาติระดมเรียกเข้ากรมเข้ากองเพื่อ เตรียมให้พร้อมอย่างนี้เขาเว่าระดมกองกําลังทหารระดมธรรมก็เหมือนกันระดมธรรมก็คือรวบรวมเรี่ยวแรงพลังงานแห่งธรรมพลังงานแห่งธรรมคือบุคคลที่เป็นผู้นําทางจิตใจทางวิญญาณมีอะไรหลักคำคำําสับ ซ, ซ้อนดีๆงามๆ น, นิมนต์มารวมกันเชิญมารวมกันะระดมพลังงานแห่งธรรมเอาออกมาใช้เอามาซ้อนคนมา ตกเร่าให้มองเห็นคุณค่าของศาสนร์คุณค่าของศิลของคำชี้ลงไปเห็นโทษว่าบานเมืองมันขาดศิลขาดธรรมมันเป็นอย่างไรนี่ระดมธรรมมันเกิดขึ้นในลักษณะนี้คือทุ่มเทพลังงานแห่งธรรมที่มีธรรมคืออะไรธรรมนี่เมื่อกี้เราพูดถึงระดมแล้วนะระดมแปลว่าการรวบรวมเรียวแรงมีเท่าไหร่ทุ่มเทลงมาให้หมดระดมมาให้หมด และธรรมคืออะไรธรรมนั่นคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้มันถูกต้องตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและวิวัฒนาการของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามดินฟ้าอากาศจะพันพ้นจะแปรปรวนในสภาพอย่างไรก็ตามเราจะแอดจัสปรับปรุงให้ถูกต้องให้ดีงามเป็น ปฏิรูปให้มันเหมาะสมกลมกลืนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เราเป็นคนฉลาดหยุดเสมอปฏิรูปปังปฏิรูปปังโอปาเยกังปาสาธิเกเญติซ้อนพระก่อนจะบวชตอนขอนิสัยแปลว่าจงทำให้มันเหมาะมันสมมันถูกมันต้องด้วยอุบายที่ชอบเดี๋ยนี่เราจะนําอุบายที่ชอบอุบายคือเทคนิค การกระทำอะไรต่างๆให้มันถูกต้องกับกาลเทศะคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้างัดออกมาใช้ทำยังไงจะได้เอามาใช้มันอยู่ที่ไหนมก็มต้องอยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมมาก่อนอย่างพระสงฆ์เจ้าทันที่มีศิลาจารวัต ที่งดงามที่ทรงศิลสุตาที่คุณปัญญาที่คุณเป็นผู้ประพฤติดีงามปฏิบัติดีงามทรงความรู้ความเข้าใจทรงมาติกาพระวินัยพระสูตรอะไรต่างๆสุดตะเคยะียบปรกรณคาถาอุทานอิติพุตธกาอะไรต่างๆนัในนระดมทุ่มเทมามันสมองของศาตนามันสมองของชาติเมื่อรวมกันพวกเราละดมทําอย่างไง ม่านเมืองเราจรึงจะสงบจึงจะร่มเย็นเราจะแก้ไขโดยวิธีใดจะจัดจิตจั ด, จ ด, จดใจอย่างไรมันมีปัญหาอันนี้มันเกิดมาจากอะไรต้นตอปัญหาอยู่ยังไงเสื่อมคนไปจนถึงต้นข่าวสืบสาจนเหตุถึงเหตุถึงผลจนแยกแยกออกมาตลอดสายวิเคราะห์วิจัยให้เห็นชัดเจนแล้วก็ทําลงไปให้มันถกูกต้องนี่คือเรื่องราวที่เรียกว่าระดมธรรมรวบรวมบุคคลผู้อยู่ในสิ่งในธรรมแล้วก็มารวมกัน เอาแนวคิดเดมาประสานกันสร้างซ้อนแนะนำในงานต่ตางๆที่อาตมาได้ไปพบไปเห็นมาในต่างจังหวัดที่เขาเชิญเขาไดมนไปเนี่ยห้าวันหกวันเจ็ดวันคนมากันเต็มคนมากันมากหลายร้อยมาหนุ่งคท้าห่มคท้ากินน้อยนอนน้อยฟังธรรมปรัพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสนาบุญอย่างนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าบุญพระเวทสันดอนใหญ่กว่าบุญมหากถินอีกร้อยกองพันกองแต่ไม่ได้สิ้นเปลืองไม่มีการฆ่างัวฆ่าควาาไม่มีการร้องรำทำเพลงคนเป็นห้าร้อยหกร้อยอย่างที่วัดอาดมานี่ก็มาเหมือนกันจัดอยู่ในรูปพระดมธรรมในตอนวันสําคัญวันวิสาขวันไรปีนี้ทันหลา่ายตั้นแกฟังไว้ให้ดีเ ม, ดดเมื่อดอกกลําดวนบานเมื่อไรแต่มาจะประกาศ ระดมทมอีกเหมือนกันที่นี่ดิธีปริวาสหรือว่าสมาธิปริวาสเอาญาติเอาอยอมผู้สนใจสมาธิภาวนาเข้ามาอยู่วัดมาฝึกคัดจิตใจเอามันสักเจ็ดวันเตรียมตัวไว้ให้พี่น้องชาวสกลนอครของเราหรือน้องคายนอครพนมมกดาหารอุดรที่ได้ยินเตรียมมาเลย อันนี้อามาก็จะระ ด, ดมเมือนกันแต่เรื่องของคนละชื่อนั้นเองความจริงเขาว่าระ ด, ดมทำนั้นที่อื่นระ ด, ดมจริงๆนิ่มตนมาโมตโคบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังอยู่ตรงไหนก็ได้ไปพบกันระ ด, ดมพรุ่มเทเี่ยวแรงลงไปแต่ที่อาดามาจัดอยู่นี่ก็ระ ด, ดมท่านผูส้สนใจในธรรมมาปฏิบัติธรรมส่วนโคบาอาจารย์นั้น <c oughs> ขออภัยไม่ได้ไประ ด, ดมมาจากที่อื่น ก็ใช้แต่อยู่วัดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่วัดนี้ะทั้งหมดทั้งเน้นก็ช่วยกันผู้ได้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเพราะเราไม่มีทุนมีเราเรามันทุกมันยากเบี่ยนน้อยหอยน้อยจะไปดีบนพระสงฆ์องค์เจ้ากรูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเทศช่วยซ้อนก็ไม่มีแม้แต่ปัจจัยจะเป็นค่ารถให้แกท่านมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเอาแต่พวกเรานี่เองแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีกันเป็นจํานวนมากอย่างที่วันวิสาขะที่ผ่านมานี่ก็ฟาดไปตัง สี่ห้าร้อยกรรมระดมกันที่นี่ที่นี่เราเย็นว่าการระดมธรรมนั้นก็คือการทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ฝ่ายวิชาการและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทาลงไปนั่นคือฝ่ายการปฏิบัติรวมและเนื้อว่าทาง้งทางเทคนิคและวิชาการ ให้มันถูกมันต้องให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้กระทาได้เอานำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันพุทธศาสนาจึงจะเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ชต่อชนชาไทยมิฉะนั้นแล้วเราก็จะพบแต่ความปั่นป่ว น, นเรือร้อนฟุ่นไายเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นนว่าระดมธรรมคืออะไร ก็ได้กรรมมาแล้วทําไมจึงต้องระดมทำนี่คือหัวข้อที่จะพูดต่อไปคําว่าทําไหมนั่นคือมันยังเป็นคําถามไปอันหนึ่งว่าเมื่อรู้จักระดมแล้วก็ทําทไมจึงจะต้องระดมทําไมจึงจะต้องระดมทำเพราะว่าโลกทุกวันนี้กําลังขาดทำคนทั้งหลายกําลังหันหลังให้แก่ทำ <c oughs> กําลังบูชาอธรรม บูชาอบายามกุกกำลังบูช า, าเทคโนโลยีทางวัตถุนิยมต่างๆยึงมองไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมทางด้านจิตใจยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้จนพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งหมดนั่นเพราะมันขาดธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องพลังงานแห่งธรรมกลับคืนมาโดยรวบรวมเอากองกำลังของบุคคลการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำใหม่ๆในสมัยพุทธเจ้าโน้นได้สาวกหกสิบลูกท่านก็ส่งเขาเ้าไประดมธรมทันทีเลยจาระทะพิกเวจารีกลางพรมจริยังปากาเซธาเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐเรียกว่าพร ม, มจันนั่นนี่แหละระดมทำระดมธรรม คนหกสิบคนสาวหกสิบรูปนะระดมทามเดินกไปคนละทางผู้ยาิงอกว่ามาเอเกนะคมยิธะอย่าไปทางเดียวกันทั้งสองคนนะมาทาเวนะคมยิธะอย่าไปทางเดียวกันทั้งสองคน หายไปคนเดียวมันมีน้อยไประดมคนเดียวเลยในะที่สุดแล้วก็ประสานใส่กันแต่เดี๋ยวนี้เรามีกันมากรถเรือรถทัวร์วีไอพีไปมาซาดวกสาบายจะไปถึงไหนก็ได้มันก็เลยระดมกันง่ายที่จะต้องใช้พลังงานแห่งธรรมเพียงแต่ว่าเราจะเอากันจริงหรือไม่เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะชักชวนเราทั้งหลายชาวสกลนครเอ่ยนครพานมมุกดาหารน้องค่ายอุดรธานีโซนของเราเนี่อีสานตอนบนเนี่ย เมืองเลยพุ่นนะคือกันนะั่นแนวก็ต้องทำเหมือนกันทางเมืองเลยกร ไ, ไดูกนิมนต์เหมือนกันเมืองเลยที่เป็นว่าจะต้องระดมทำพระสองฆอง์เจ้าเป็นแกนนำเป็นตัวตั้งตัวตีให้มองเห็นคุณค่าของศาสนา เดีนี้พวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานั้นควรจะเลิกได้แล้วเย้าเย้าเย้ า, าชวนชาวบ้านแข่งเรือไปขอรางวัลตรงโน้นตรงนี้น่ยมันส่งเสริมการพ น, นันเย้าเย้าเย้าชวนชาวบ้านแข่งบ้องไฟพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ท่าอย่างนี้แล้วก็ระ ด, ดมอบายยมุกไม่ใช่ระ ด, ดมทำผู้อย่างนี้ก็เอาเวลาหอมีจะได้กอดได้แคร์กันนะ รักกันดอกกึ่งหยอกกึ่งเย้ารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฟงรักสาสนารักศินรักธรรมเรามาระดมทำกันเธอเลิกระดมอบายยมุกกันได้แล้วนี่เรือวัดโน้นวันนี้พระสงฆ์จะเป็นตัวตั้งตัวตีทองาลอยกระทงพระเป็นตัวตั้งตัวดีเย็บกระทงมาขายให้ชาวบ้านในชาวบ้านซื้อกระทงเป็นลอยหาเงินเข้าวัดจ้างนังให้ชาวบ้านดูอย่างนี้มันระดมอบายยมุกนะครับมันไม่ใช่ระดมทม อยากจะชวนรดมทํากันหน่อยพูดตรงนี้คงจะกระทบกระเทือนกันโอ้สาธุอย่ได้ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนเลยรักกันจริงๆจึ ง, จ ง, จงพูดอย่างนี้ไม่มีใครก็พูดกันเท่าไหร่หลอกเรื่องอย่างนี้พอกลัวจะกระทบกระเทือนการอาตมานั้นยกให้คนหนึ่งเพื่อนฟุงน้งเจดดาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกระ บ, บุงเป็นกระปวยเป็นกระเซอเกวียนก็ไม่ว่าให้อภัยอยู่แล้วไม่ถือสาหาความ คนโบลาณท่านบอกว่าขั้นเป็นแข่ว่าพูหางไหันซา ม, มองติหูเมือชิงหรือสังสิขิตเสือกหงว่ามีแข่งเงือกงูถ้าไม่บอกไม่ว่ากันจริงๆบางทีก็ไม่สํานึกกันต้องพูดกันแรงๆซะหน่อยพูกกันอย่างนี้ไม่ได้โกรธได้แค้นไม่ได้ชิงได้ชังกันเพราะรักกันนั่นเองรักบ้านรักเมืองรักสถ า, านา ที่นี่แต่จะพูดไปอีกคนที่ไม่เห็นด้วยคนติเกียรติชังไม่มองไม่ยอมรับฟังเหตุรับฟังผลจะเป็นดีตายแต่เจ้าผู้เดียวหาเมาด่าตายแต่หมู่อย่างนี้ก็มีมากก็ไม่เป็นไรอืใจบอร์โซดาด้วยบ่าวแมนกับเป็นพิษใจบอร์โซดาดอบบ่าดีกับเป็นหา่าคนโบราณท่านว่าอย่างนี้มันก็คงจะถูกเรื่องบ่าว่าแมนสิง ตามท่วนไต๋ย่อแสงแก่งหงุ่งฟุงมูชาบอดใบเขาสีหัวหอมดายคนตาบอดใต้กระ บ, บอกให้ร้อยดวงก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เกิดมาอีกพันดวงพร้อมกันกัยังมืดตื้อๆอยู่ดีๆพูดดีๆเลยเหตุโดยผลปกครองไม่มองเห็นกงจะเกีลจะชันเงินกามไม่เป็นไรอเอาไวโรอมิไม่มีเวนไม่มีภัยรักกันจึงว่าอย่างนี้บ้านเราเมืองเร า, า, เ, ราเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่า นี่ก็เหมือนกันเราควรจะได้มาระดมธรรมกันพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบาลามีิคนเคารพนับถือนี่เรียกร้องประชาชนมารวมกันจัดงานระดมธรรมนิมนณโคบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีศิลาจารวัดมีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆมาช่วยกันอบรมประชาชน ให้มองเห็นคุณค่าของธรรมชี้ให้เห็นโทษของสังคมที่กําลังหลงไหลบูชาวัตถุนิยมวัฒนธรรมตะวันตกมันเป็นอย่างไรบ้านเมืองกาลังขาดแผนสินธรรมอย่างนี้จนเกิดวิกฤตการั์ปันป่นป่วนเร่าร้อนกันทั้งแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นฟ้าดังที่เรื่องราวที่เราเห็นยกหยกสอกหนาตกรรมทางปักใต้บ้านเราชุมพรทางอําเภอ ปทิวท่าแชะไปนโน้นเห็นไหมละ่ะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินน้ำตาเหงาแท่งร้องไห้ด้วยกันไม่รู้จะซับกันยังไงนั่นเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ขารทมอีกเหมือนกันพู้อย่างนี้เหมือนกำปั้นทุบดินพระพุทธเจ้าหันตรัสไว้เรียบร้อยแล้วโลกขารทมมันจะเดือดร้อน ถ้าไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปีดอกทร ม, มิกระสูจะตุ ก, กัิบาตอังคุตตานิกายเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบหน้าที่เก้าสิบเจ็ดแห่งสยามรับฉบับภาษาบาลีพระไตรปีดอกฉบับภาษาไทยก็เล่มยี่สิบเอ็ดอีกเหมือนกันข้อที่เจ็ดสิบหน้าไม่ตรงกัน พระพุทธเจ้ า, จาท่านเล่าไว้ว่าโลกเนี่ยมันจะผันผลมันจะแปลปวนอย่างไรกระรอบระเทินถึงดินถึงน้ําถึงไฟถึงลมดูความพิษังหลายมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมหันว่าอย่างนี้พอม น, มนุษย์จะไม่มีศีลมีธรรมจะไล่ลงมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วจะไปเอาเปรียบ พวกนักวิชาการนักธุจริตพิเศษอิทธิพลอำนาจโอกาสวัสนารในแผ่นดินมันเข้ากขอนไม่ไหววิธีใดที่เขาจะรอดมันก็โกงกันต่อไปเนี่ยนี่เมื่อข้าราชการไม่มีสินมีธรรมแล้วพามอหบอดีไม่มีสินมีธรรมเมื่อพามือหบอดีคือนักวิชาการและนักธุจริตเขาก็ไม่มีสินมีธรรมเขาก็เอาเปรียบ คนอื่นต่อไปที่เขาจะเอาเปรียบได้ก็คือข่ายประชาชนชาวชนชนบทคา ม, มนิคมทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ผืดพันธัญญาณผิดพันธุ์เกษตรกรรมอะไรที่เขาผิตมาพวกที่เป็นพวกอาคนกรร้ามโอดเอากดเอาทีนี่พวกประชาชนคา ม, มนิคมชนนบททั้งหลายเหมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไอความอยากอะไรต่างๆมันกกำเริบกันด้วยกันทั้งนั่นกิเลสบันมีด้วยกันในที่สุด คนนี้ก็ไม่มีสินมีธรรมไม่เข้ารบกฎหมายบ้านเมืองพรลักเกาะลักพ่อยังไงก็ในที่สุดเมื่อกฎหมายบ้านเมืองมีหยกพวกนี้ถูอาราเปียบมาเขาก็ล่วงละเมิดกฎหมาย ทำลายแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นฟ้าอะไรต่างๆขึ้นมาประชาชนทั้งหลายก็เต็มไปด้วยความไม่มีสินไม่มีทำมือใคยาวเ้าได้เท้าเอาเอารับเอาเปรียบกดขี่ข่มเพงมีโอกาสก็ฉวยกันทั้งนั้นย่งกันกินยั่งถินกันอยู่ยั่งโกงกักนพิสวาสดยั่งอาําน้ากันเป็นใหญ่เป็นโตกันไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ปั่นป่วนกันไปหมดทั้งโลกแล้วทํำยังไง พระพุทธเจ้าท่านก็พูดเชื่อมโยงเราไปว่ามันไปกระทบกระเทือนกับนูนสุริยะจักรวาลสุริยะจันทิมาปริวัติอันปริวัติปันติวิสมังไงไหมพระอาทิตย์พระอาจารย์ก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระอาจารย์โคจรไม่สม่ำเสมอการดึงดูทวงดึงอะไรต่างๆในระบบในสุริยะจักรวาลโซลาซิสเต็มอะไรต่างๆของมันเมื่อมันโคจรไม่สม่ำเสมอมันก็ดูดให้ดวงดาวที่มันอาศัย ดึงดวดกันเนี่ยก็เกิดให้ดาวนักษัตติคโคจรไม่สม่ำเสมอนักขัตตานิปริวัติตันติวิสมังไอ้ดาวนี่ไม่โคโคจรไม่สม่ำเสมอเอกเหมือนกันเมื่อไม่โคจอนไม่สม่ำมอเสมอแล้วมันก็เป็นเหตุส่งให้หนึ่งเดือนกึ่งเดือนละดูเดือนขาดเคลื่อนเดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสมอไหนไหมวันคืนก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สม่ำเสมอเมือม่อเป็นอย่างนี้ดาวนักขัตติเลือกต่างๆที่เดิน ผิดทางนี้มีอันตรายต่อโลกดังเราเห็นดาวห้องดาวห้างอะไรต่างๆพวกนักวิทยาศาสตร์กลัวดาวหางแต่มันวิ่งจู้จีมาชนโลกมันก็จะทำให้โลกนี้ระเบิดตุ้มทุกคนตายในพริบตาเดี๋ยวเขาวาดวัอย่างนี้เพราะ พวกที่เขามีกล้อง่องดูดาวที่หอเอ็เมืองปีชาเขาบอกเห็นอยู่บ่อยๆครั้งในกลุ่มแพลล็กซีทั้งหลายที่ดาวมันระเบิดก็คือมันชนกันตามลักษณะที่มันเดินหลงทางอย่างนี้เองโลกนี้ก็อดาวดวงหนึ่งดาวหางใหญ่ก็โลกอีกวิ่งมาถ้าเกิดไม่ชนโลกวิ่งเฉียดไปไกลๆ ก, ก็จะดูโลกนี้ให้วิ่งตามเขากลัวอย่างนี้พวกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยตื่นูุจักนั่งก็ดีอีกเหมือนกัน แต่ผู้ดีจ่าท่านพูดไว้หมดแล้วคือระบบมันขาดสินขาดทำนั่นาอาทิตย์พระจันโคจรไม่สา ม, ามสำ่ำเสมอดวงดาวโคจรไม่สา ม, ามสำ่ำเสมอวันระดูเดือนปีคาดเขื่อนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนก็ไม่สา ม, ามสำ่ำเสมอหลังจากนั้นลมก็พัดไม่สา ม, ามสำ่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สา ม, ามสำ่ำเสมอลมก็หลงทางไงไหมลมหลงทางกอมุตุนิยมบอกว่า น, นู่นปายุเปกกำลังก่อ ด, ด่วมาโ น, น่น อยู่ทางอยู่ไกลแสนจะไกลนะจากมุ่งหน้าเข้าสูอา่อ่าวไทยของเราคิดว่าจะลงทางแหลมตะลุมพุกในอำเภอตะลุมพุกนี่ทางนาครสีธรรมราตเตรียมตัวขนย้ายชาวบ้านกันยอกใหญ่ที่ไหนได้มันมาถูกนี่ปะทิวดีท่าแช่นี่นั่นพระพุทธเจา้าบอกว่าเมื่อลมมันเดินไม่สม่ำเสมอมันก็หลงทาง มันมุ่งหน้าไปโน่นมันตีกับมวลเสือเข้ามานี่อย่าไปหัวเราะ อ, อีกต่อไปปีหน้าอาจจะทล่ม้าอีสานนี่ก็ได้จะทําเป็นเล่นไฟมันรถไม่มีซิ้นมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าและบอกสุริยจะจักรวาลกันทั้งหมดเลยนั่นเมื่อลมอเดินไม่สม่ำเสมอลมก็เดินหลงทางดังเล่าแล้วเมื่อลมเดินหลงทางเทวดากําเลิก ก็คิดดูสิสวนยางเอ่ยพวกต้นมะพร้าวเอ่ยล้มละนั่นในละหนาเรือนชานบ้านช่องถ้าเกิดมีเทวดาลุกขะเทวาภุ ม, มะเทวาที่อยู่ตามพรมสถานบ้านช่องตมัมสละทะละวิษณ์ในเกาะแก่งในที่ไม่สมำเสมอกันอยู่ในต้นไม้ที่ว่าลุกขะเทวดาพายุเกถล่มไม่เทวดาไปไหน กำเริบอีกเหมือนกันเห็นไหมเทวาดากำเริกพระพุทธเจ้าต่อมาฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูการว่ามั น, นไวุ่นวายไปหมดเลยฝ น, นฟ้าตกไม่ตกต้องตามระดูการถึงหน้าร้อนก็ดันตกถึงหน้าหนาวกับแดดออกเป็นร้อนอายุยืนยาวหมาันไลยปีเสียนหลกักไปพ่องูเถืง่งหน่วงหางเกี่ยวสะ ก, กอด น, นูเดินเจียงขึ้นน้ำล่มโบโหเมือ่อเดินยืนซึ่งเราห่อนเดินหาพตาวหนาวนัานาน่นมันจะไปอย่างนั้นคนโบราณก็ยังพูดเอาไว้ เมื่อมันเป็นเช่นนี้คำว่าทำไมจึงต้องมาระดมทำก็ดังกล่าวแล้วเมื่อมันขาดแทนสินทำไปมากๆคนไม่มีสินมีทำมันก็เกิดวิกฤตการณ์พันปวนแปรป่วนแม้ก็นทั่งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าแผ่น ไฟอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะต้องมาถามว่าทําไมจึงต้องระดมทำมแล้วต้องเอาทํากลับคืนมามิฉะนั้นแล้วโลกนี้มันจะร่ำร้อนด้วยไฟแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีโลหะมามันก็เบียนเบียนเอารัดเอาเปรียดทําลายป่าดทาลายดงโลหะเนี่ยมันมากลายเป็นน้ํามาท่วหมหัวกลายเป็นสตอมมี่กลายเป็นพวกพายุถ้ามีโทสะมากมันก็กลายเป็นไฟระเบิดเป็นไฟนิวเคลียมันกลายเป็นไฟนิวตรอนเห็นไหมลน่ะ ถ้ามีความโง่เซอมากมันก็เอาอีกแล้วเกินโมหะมากเกินมันก็เกิอแทนดินไว้กูก็ไฟละเบนเนี่ยมันสันสะเทือนกันมันสั่นสะเทือนกันเป็นด้วยฝีมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นงานระดมทำ ที่ถามาระดมทมคืออะไรก็ดังเก่าแล้วคือการระดมทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมบุคคลในมีศินมีธรรมมารวมกันประกาศสจทำพูดให้ฟังทาให้ดูอยู่ให้เห็นนี่เอาบุญใหญ่หรือว่าเอาบุญระดมทรมมันเอาบุญข่าค ว, วายกินสิบตัวตีกองเติมทุกอย่างนั้นมันจะจิบหายวายว่กันเมื่ อ, อไรไม่ทราบทาไมจึงต้องระดมทำดังกล่าแล้ว พระพุทธเจ้าฮั่นบอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีสิทธมีธรรมแล้วมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าจนถึงกับที่ระวั ล, ลมเดินผิดทางหลงทางเทวดากับเลิกฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการเพืชพันธธัญญาหั่นออกลูกออกมากไม่สำำม่ำเสมอกันสุขไม่ถูกต้องตามฤดูการสุกไม่สำำม่ำเสมอพวกมแมลงพวกศัตรูพื่ออะไรต่างๆมากขึ้นมนุษย์เนี่ยก็จะป่าด้วยสารเคมีในที่สุด พวกผ ล, มกลกไม้ทั้งหลายปลูกจับลงดินก็ใส่ ย, ยาไปตั้งแต่อยู่ในรากมันตั้งแต่อยู่ในเม็ดมันโคลกันไปจนเป็นดอกก่อฉีดเป็นลูกก่อฉีดจะปิดมาขายพวงนี้ฉีดฉีดเสร็จแล้วกลัวมันจะเน่าก็ใส่เคมีสารกันบูดอะไรเข้าไปฮ่าลงฮาลาก็ไปเป็นอันว่าผลไม้ ก, ก็สะสมแต่สารพิษมนุษย์ทั้งหลายบริโภคผลไม้เหล่านั้นพระพุทธเจา้าท่านบอว่าทิวพันธ์ก็เศรามองโลกภัยไข้เจ็บก็มากไปด้วยอาพาธอายุก็สั้นตายไป นี่มันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้สุดท้ายทั้งกรรมสลปคุณนันเจตระมานานังชิมังขดฉันติปุงขโบสภาตาชิมังอัจติเนเตชิมังคาเตสติเอวเมวมุนเซสุโยโหดิเศตสัมมโตโสเจอะธรรมิกังจรดิปเทวอิตราประชาสพังลักถังทุกขังเซติราชเจโฮเดหามิโก นี่บัดท่นตะลุ่นท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อฝฟงหัวฟงควายมันไปแล้วหัวหน้ามันไปฟงมันก็ไปตามหัวหน้ามันไปคตรโลกฟงมันก็ไปโคตรในหมู่ของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหัวหน้าไม่มีสินมีธรรมมันก็ไม่มีสินมีธรรมไปด้วยกันทางนั้นแว่นแว่นทั้งหลายก็ประสบแต่ความทุกข์เพราะเหตุ น, นั้น งานระดมธรรมได้เกิดมีขึ้นเป็นคำใหม่ดังกันมากขึ้นทางกรุงเทพทางภาคกลางอาจจะมาอยู่ที่นี่ได้มีคนมานิมนต์ไกลๆดังกล่าวแล้วไปเทศในงานระดมธรรมก็จึงพูดกับพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเนี่ยให้รู้จักคำนี้และก็มาช่วยกันคิดว่าเราไม่เอากเขาบ้างหรือระดมธรรมกันบึงเป็นจังฎีพวกเราเนี่ย ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเกาะควรจะได้รวมกันคิดทำย่างไรบ้านเราเมืองเราจะสงบจะร่มเย็นทำยังไงจะได้เอาสินเอาธรรมกลับคืนมาชาักชวนชาวบ้านเลิกกันตะทีการบูชาอบายามุกมองอมเมาพวกเราที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเลิกได้แล้วที่เรียว่าเยาโยๆไปเป็นหัวหน้าแข่งบั้งไฟไปเป็นหัวหน้าแข่งเรือไปเป็นหัวหน้าค้ายคารทองแล้วก็เป็นหัวหน้าประกวดโน่นประกวดนี่ไปขอรางวัลตรงโน้นนี่มันส่งเสริมการพานันอบายามุกไหน ว่าเป็นแรกก็กระทบกระทืบกันอีกอย่างเก่ามันรักบ้านรันเมืองก็ดองพูดอย่างนี้ทําไมยังต้องระดมทำก็ดังกล่าวแล้วโลกกําลังขาดทำกําลังหันหลังให้แก่ทำกําลังเกิดวิกฤตการณ์ท้าวอนสงครามนิรันดรสงครามร้อนสงครามเย็นใต้ดินบนดินสงครามจิตสงครามเศรษฐกิจสงครามประสาทเดีย่ยที่พูดฟังไปหมดเห็นไหมป่วงชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นระดมทำเพื่ออะไรเอาละมาถึงคําว่าเพื่ออะไร หนึ่งเพื่อเอาศีลธรรม ขั้นโลกียะคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอันดีงามกลับขึ้นมาจากระบบชีวิตระเบียบสังคมให้ถูกต้องให้ดีงามอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องอยู่กันโดยทำช่วยเหลือกันโดยทำให้สมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันตหากมีศีลมีธรรมเศรษฐีใจบุญมีขึ้นนายทุนหน้าเหลือตายไปคนจนบูชาบาบายามุกตายไปสัตตบรุษที่จนจ น, จนเกิดขึ้นมามีศี ที่มีทําแล้วเราพ่ อ, อยู่ด้วยกันอย่างนี้เมื่อเขาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคิรนเจ็บเป็นเพลิงผ้ากันแดดย่าเมือมอละนั่งมวยห่อนห้อมกันเหมียนขาบส่งรวยซุ้มจุดพร้อมสการ์ไห้ทรงถึงมันจะตกยากไห้ห่อหักแมน น, มน้าคนมันซื้อรวยหรือจนกระเพลิงผ้ากันไดดเคอจังเฮ่าฆ่าแก่งเกียนเห็นแหล่าเกียนแก่ปัทปัยหอน้ําเพื่อจะได้แก่เกียนแตงรวยคนจนอยู่ด้วยกันเนี่ย เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้เรียกว่าระดมธรรมเพื่ออะไรสูงขึ้นมาเพื่อโลกุตธรรมถือความจริงสิ่งที่ต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทาอันนี้ความจริงโลกนี้มีความจริงความทุกเป็นของจริงเหตให้เกิดทุกมีอยู่จริงความดับทุก็มีอยู่จริ ง, กกอรงหอนทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกจนหมดทุก ไปสู่นิพานก็มีจริงพูดถึงนิพานจะเข้าใจวัดตาอีกแล้วบอกอาตามานี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจได้ยินพระผู้รักผู้ใหญ่เทศที่ไรเบาหวานเลิกพูดกันเรื่องนิพานหลวงสวรรค์ น, นิพานให้มันมีอยู่ดีกินดีในชีวิตนี้ก็พอแล้วเรื่องนิพานเลิกพูดกันก็ได้คอยเอาปัญหาเฉพาะหน้าคนไม่เหมือนกัน บางคนเขาฝ่ที่จะดับทุกทางใจจิตใจเขาสงขึ้ิ่นกามีพุทธศาสนาจะมาซ้อนแขกอยู่นี้ยินดีหาได้กินเป็นนั่นไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้ศาสนาอื่นเขาก็ซอนกันมาแล้วหมูเห็ดเป็ดไ ก, ก่นกนกูปูปีกมันก็ไม่ปาให้มันตายหดอกมันหา ก, กินได้พุทธศาสนาเลยมันสูงขึ้นมาถึงทุกเหตุให้ เ, เกิดผู้ความดำรงแขวนทุกคนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกที่เรียกว่าอารยสัตว์นี่จะต้องให้มนุษย์ที่เรียกว่าชาวพุทธ ฉันสูงนี่รู้จักให้มันเป็นสัจญานรู้ความจริงอันนี้แล้วก็มารู้กิจญานหน้าที่ที่จะต้องกระทำกับทุกนิเหตยังใดทุกขังอริยะสัจจังปาริเยยังทุกนกำหนดหู่มันถูกนำห่ังนี่มันทุกทุกข่ะ สมุท ย, ยังปหารตับผังเหตุนในเกิดทุกข์ให้ละไม่ยั้งเหตุไปเกิดทุกข์นะหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่เป็นบวกที่เป็นลบหลงก็ไปยึดมัน่นถือมันอันนี้ต้องละมันก็เป็นได้เรื่องโลกุตละเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะเอามาสอนยิ่งคนสมัยนี้เป็นโลกประสาทกันมากๆคนเท่าคนแก่ก็กุ้มอกกุ้มใจพอาะโกเลี้ยงโลกเต็มบ้านเลี้ยงร้านเต็มเมืองมามันไม่ข้าลบมันไม่บูชาพูดคำํำสองคำไรสูญจักยัง เจ้าเกิดแต่แห่งกินมังงีวก็ผลจะหายหลายหลายเลยแต่บุญบ้านนี่บมา ก, ก็ได้ไดลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ได้ยินลูกสาวผู้ลูกชายผู้ยังนี่จะเป็นบ้าตายเพราะเหุนั้นมันจำเป็นจะต้องมีมีธรรมะโลกุตตละรู้จักอริยสัจกันให้ได้พุทธศาสต ร, ร์าสนาในเน้นสูงสุดตรงนี้ ไม่ใช่เพียงจะให้อยู่ดีกิน ด, ดีมีเงินเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านมันยังตกนรกติดแอเป็นอสุรกายติดแอจั่งมือปืนแห่ทีละขยงถูกยิงกันตายนะมันยังรับประกันความสงบความศกความดับทุกแห่งชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นระดมธรรมมันจะต้องมีทั้งสองขั้นตอนทั้งโลกียะทั้งโลกุตละนี่พูดด้วยความเร็วสูงเวลามันจะหมดมันก็ต้องพูด ก, กันอย่างนี้่เลยเวลาหนึ่งชั่วโมงของกะทันีเนี่ยมันน้อย ทีนี้เราก็มาถามกันต่อไปอินท้ายว์วัตรดมทำโดยวิธีใดโดยวิธีใดเอาล่ละจะต้องมาพูดกันตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดกันหน่อยเพื่อดมทำโดยวิธีใดก็ต้องเท้าความกันมาครั้งแรกวัตรดมทำคืออะไรนั่นก็หมายก็ว่า ระดมทุ่มเทรวบรวมเอาเรี่ยวแรงพลังงานแห่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องการทาอันมีอยู่ในบุคคลผู้มีศิลมีธรรมพระสงองค์เจ้าประชาชน อุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงธรรมอย่างในสมัยโบราณจิตตะคือหะบอดีอุบาสกเป็นถึงอนาคามีเทพซ้อนพระธรรมดาได้เป็นโซดาบันเยอะแยะเวลาแกจะตายแกกะเทศจนตายเดี๋ยวนี้เราจะต้องฟังกันแล้วไม่ว่าพระเทศโยมเทพโยมดีๆมีเยอะแยะมีความรู้มีความเข้าใจทั้งสินทั้งธรรมประพฤติปฏิบัติตัวดีดีข้อภัยทีาจะวันนีกว่าพระพระก็จะกด บางคนดีกว่าพระก็มีเฮ้ดีหลายๆซะมากกว่ไปบวชสักประชันในนี้เรายังยึดมั่นถือมั่นกันเหลือกเกินในทิฏฐิถ้าเห็นโยมคนไหนเขาดีๆเขาพูดธรรมะอธิบายธรรมะมีชีวิตเรียบง่ายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรีทำหน้าที่ของตอนเองอย่างบริสุทธิ์สุจริตใจเหลือจากนั้นก็ยังช่วยเหลือเจอือจานเผื่อแผ่สังคมช่วยเหลือศาสนาถ้าเขาไ่พูดทําำให้ฟังฟังหน่อยพอพูดจบเฮ้ บอกไปว่าวันนั้นแหลคะครับมันดีมันคือผมไปบวชเนี่เสร็จอีกพวกเราเข้าใจกันน้อยเหลือเกินคนดีไปหมวนบนแล้วมันก็จะมีแต่คนซัวคนด้วยสันพิอกว่าทำได้บวชหรือว่าจากไหนคนดีๆกับดูเนี่ยพอตรงมาบวชก็ได้คนดีๆเป็นอุบาสกอุบาสิกาการรักษาศาสนาส่งเสริมศาสนาให้อยู่ได้หนึ่งพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในสองญาติโยมเป็นเจ้าหน้าที่ภายนอก ญาติโยมที่จะสนับสนุนที่จะรักษ า, าศาสนาจะต้องมีกําลังทังสามอย่างหนึ่งกำลังศรัทธาสองกำลังปัญญาสามกำลังทรัพย์โยมที่มีกําลังทรัพย์ร่ํารวยเงินทองไม่มีศรัทธาไม่ช่วยเหลือศาสนาอะไรไม่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ได้กินคนเดียวกินคนเดียวมั่งมีสีสุขนี่เมื่อกับน้ําทะเลน้ํามหาสมุทรเต็มไปหมดแต่กินไม่ได้มันเค็ม น้ำเจือจืดสนิทส่างน้อยๆกินแทบเป็นบ่อไหลก็ไดเนี่ยคนมีเงินมีทองมากมันไม่มีสถาามันไม่ช่วยเหลือเจือจุนเพื่อแผล่คนอื่นเพื่อสังคมเพื่อศาสนาทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้าบึงน้ําบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากแต่หนีในเหมือนน้ําในมหาสมุทรสุดจะเข็มนั่นเห็นไหมล่ะคนดีมีเงินทองน้อยๆมีสถาาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่มี เคือสังคมช่วยเลือศาสนาทำบุญสุนทรลาธานตนับตะลุนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่คนรวยมีกำลังทรัพย์คาดกำลังศรัทธาไม่ช่วยเลือใครไม่ช่วยเลื้อสังคมไม่ช่วยเลือศาสนาเราต้องการคนดีที่มีกำลังทรัพย์ มีกำลังศรัทธามีกำลังปัญญาอยู่เป็นคารวาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะได้ทำบุญสุนทรท า, านจะได้รักษาพระศาสนาจะได้เป็นตัวอย่างแก่อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นอันนี้มันบอดีเลยถ้าจมารู้จักคนนํางแกคนจะเป็นอุบาสกตัวอย่างขออภัยไม่ได้ไม่ไม่ไดขออนุญาตแก่นํามาเล่าให้ฟังที่นี่โยมวิเชียนคนจังวัดสมุทรสาครมาอยู่บ้านเชียง และนี้เป็นผู้จัดการเขตธนาคารไทยประกันชีวิตคนนี้ทั้งลูกทั้งเมียอยู่ในเ้นในธรรมกินอาหารมังสวิรัตไหม่ค่าสัตว์ชีวิตทมบุญวิวัฒน์นววัดดีเห็นพระสงฆ์เจ้าขันคนนี้ขอประวรณาช่วยเลือเจือจุนรับแม้ถ้ามีพระไปที่บ้านเนี่ยแค่ดีใจเลอเกิดอาตจจมาถูกนิมนต์ไปถึงวันเกิดเอารถมารับมอบท้งวัดแล้วก็ ถวายสังฆทานเป็นแบบเป็นยางใหม่มีการกินเหล้าเมายาบ้านอะไรบ้านทรมาจริงๆเหมือนกับวัดอยู่ในห้องมีห้องพ้าห้องอะไรเช้ามาพาลูกพาเมียทำวัดสวดมนต์สว่างเสร็จกินข้าวเย็นปลาออกทำงานลูกเต้าทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยอะไร พ่อดีแม่ดีพ่อเป็นเทวีแม่เป็นเทวาลูกเล็กๆเป็นเทพบุตรเป็นเทพปฏพิดาเพราะเห็นแต่สิ่งที่ดีทีงามพ่อแม่พูดกันไพเราะอ่อนห้านประสานสามัคคีไมตรีรักใครดูดดื่มว่านชื่นเหมือนเทพบุตรเทพธิดาอยู่ด้วยกันว่าหลังนั้นก็เมื่อสวรรค์ลูกเจ้าได้เห็นแต่บรรยากาศที่ดีที่งาม ด, ดีเห็นพระสงงฆ์เจ้ามาอ้าวพ่อรับมาลูกมากาับ พวกคนนี่ตัวอย่างค้อนอย่างนี้แม้ไม่บวชก็เหมือนบวชเรียกว่าบวชทางใจกายยังนุ่งห่มอยู่ภายนอกเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายการระดมทำโดยวิธีใดนั้นก็คือระดมเอาบุคคลตัวอย่าง พระตัวอย่างอุบาสกตัวอย่างอุบาสิกาตัวอย่างคนดีทั้งหลายมารวมกันรวมกันแล้วก็มาพูดให้คนอื่นฟังมาทำให้คนอื่นดูมาอยู่ให้คนอื่นเห็นการที่จะรวมคนดีได้รวมสัตว์ปรุษได้เดี๋ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายแล้วมันก็เป็นมงคลที่สุดถ้ารวมได้เพราะเหตุนั้นพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาทั้งหลายเอ๋ย ข้าวขึ้นน า, าปลาขึ้นบ้านปีนี้ฟ้าสง่งฝนดีกันเหลือเกินมีข้าวมีปลาคิดกันบ้างปะน้อหนอเหตุใดเนาะเอาบุญระดมถ้ำคือเพลินเนเป็นยังบ้านเฮาเจ็ดสามมื่นสี่มื่นห้าหมื่อเจ็ดหมื่นไม่ต้องข่างัวข้าควายดอกปรึกษากันพระสงฆ์องค์เจ้าหลังจากนั้นก็ไปนิมนต์โคบ้าอาจารย์ที่ท่านดีดีงามงามที่ท่านมีศิลาจารวัดแล้วก็ไปเชิญ อุบาสอุบาสิกาตัวอย่างคนไหนที่ประพฤติปฏิบัติทำรรที่ดีเลิกล่างละอาบายามุกเป็นคนเสียสละอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มารวมกันเป็นตัวอย่างพูดให้เราฟังเราเองก็เสียสละข้าวปลาอาหารเป็นการเลี้ยงกันเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทำพ่อแม่ไปนุ่งข้าวห่มข้าวกันปฏิบัติธรรมฟังเทศนั่งสามาธิเดินจงกรมบูบาอาจารย์ท่านสอนต่อ ชาวมาลูกเต่าไปทรงอาหารพ่อแม่พ่อแม่ไปจําศีลแล้วหนุห่งขาวหอมขาวพระทรงองค์เจ้าอบรมมีวิทยากรที่ทรงคนนภูติที่ทรงทำลูกเต่าข้างหลายก็ไปจังหันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผลเลี้ยงออามาได้ตะกี้ บา้านีดเพิ่งไปยุวซีเวื้อหาเหมือกไปเลี่ยมคันในนั้นที่ลูกหลานไปเลี้ยงก็ถือโอกาสเทศแนะนำคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศิลธรร ม, รมให้แก่ลูกแก่หลานให้มันซึมซาบอาบรถมีสื่อการสอนอะไรก่อนนำไปค้นไปยังนี่เร่าระดมธรรมระดมพลังงานแห่งธรรมส่วนผู้เท่าผู้แก่ลูกหลาน ได้มาจังหันตนเองตอนเองอเป็นโอวาสโอบา ส, สิกาถือศีลแปลประพฤติป ฏ, ป ฏ, ปฏิบัติทำโลกล้านมาพ่อแม่ก็เออบิ่มจิตใจโอ้เอได้เห็นหลวงมาวัดมาว่ามาดีใจหลายแท้บอกกินกระอิ่มนั่นเห็นไหมล่ะเหมือนเชิญพ่อแม่ขึ้นสุสวรรค์อิ่มเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่ากุลบุตรกุลธิดาใดจเจ้าพ่อแม่มานั่งอยู่ในบาทสองข้างให้ขีราชเกี่ยวรถอยู่วันละสมเวลาป้อนข้าวให้อิ่มอาบน้ําให้เปลี่ยนผ้าให้ลูบไล้ข้า นอนบีพันธ์ท่านชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมาแต่ดึงขณนะ น, นั้นยังไม่สะสมลูกผู้ใดพ่อไม่มีสินนั่นไม่พ่อแม่มีสินพ่อแม่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารและศรัทธาในสินในธรรมลูกสามารถทําให้พ่อแม่มีศรัทธาด้วยผู้ลูกนั้นแหละชื่อว่าตอบแทนบุญคุณอย่างสะสมเป็นลูกที่ประเสริฐเป็นลูกที่ดีที่งามเนี่ยพ่อแม่ไประดมทํา บวชนุ่งขาวค่มขาวเป็นเนค ม, มะจารีเนคข ม, มะจารีนีสมมาทานสินแปดฝึกสมาธิภาวนาสมาถกรรกมาทานวิพัฒนากมาฐาน ลูกหลานเอาข้าวเอาปลาไปส่งช่วยส่งเสริมเลี้ยงกายพ่อแม่ให้มีกําลังประพฤติทำแล้วยังหล่อเลี้ยงน้ําใจพ่อน้ําใจแม่พ่ออุียแม่อุียพ่อใหญ่แม่ใหญ่โอ้ยลูกหลานมาจังหันวันซ้อนพ่อแม่ประพฤติทำดีใจนั่งสมาธิยิ้มแมมเหมือนถูกเชิญไปไว้บนสวรรค์นนะ่ะเห็นไหมถ้าพ่อแม่ไปวัดไปวานลูกออกน็นะู่นน่ะข่าวดิสโก้เทคลงกลงลมกาวอยู่โน่นอย่างนี้ ตัวอยู่วัดใจอยู่บ้านอยู่นําลูกนําหลานตกนรกติดตกนรกอยู่ในวัดนั่นแหละไม่ใช่นรกติดแอเพราะเหตุนั้นงานระดมทมควรจะได้คิดกันบ้างแล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเลิกกันได้แล้วบุญแข็งบ้างไฟไปซื้อมือซื้อจี้ซื้อ มาดกรร ม, มทันมาขั้วมาตำตัวแลปี่ปี่ทงางพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวนำแล้วก็ไปแข่งกันลงเดิมพันเท่าน้นเท่านี้นีมน่มลเลิกได้แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเอ๋ยแล้วก็งานแข่งลงแข่งเรือพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวตัง้งตัวตีฮ า, าลังวัดเรือพัดนวัดนี้ก็อยากจะนนี่มลเลิกอีกเหมือนกันงานท่า น, นั้นเหล่านั้นเลิกเลิกเลิ ก, เ ล, ก, เ, ลกเลิกได้เลยดีที่สุด ก็ผมเองอยากจะกาบสักร้อยหอยนึ่งจะทำยาง้งมาช่วยกันระดมธรรมเราเองเกิดมาในค่ณพุทธกาลแล้วสองพันห้าร้อยสามสิบสองจะเข้าสามสิบสามปีอยู่รอมบารลออยู่แล้วแล้วเราเองนั้น ควรจะสำนึกเกิดมาแล้วพ่อแม่พาถือศาสนาพุทธบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมาพอเรามาบวชยังไม่ได้สร้างคุณงามคุณความดีอะไรคนก่อกาบก็ไหวอุบาทไปวันไหนก็มีคนใส่ให้นี้เราได้มูลมันสันขายามะมรดกมรดกจากพระพุทธเจ้ามรดกจากพ่อแม่บรรพบุรุษที่ได้รักษาศาสนาพุทธไว้ให้เราพระประเทศอินเดียมาเยี่ยมอาตมาสัตหะมาเยี่ยมนะ ท่านมาจากนูน่นพุทธกยานูน่นเฝ้าต้นพอมาตั้งยี่สิบกว่าปีท่านมาเห็นเมืองไทยมาเห็นวัดอามาขนาดวัดอดอยากอยู่ในป่านเนี่ยพาออกไปบินทบาทแขมง้นไปคนใส่บาตรเห็นเด็กตัวเล็กๆมาพนมมือไหวแม่ท่านดีใจท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะท่านบอกวา่าล um ัมอินวันไม่โธ ว่าอย่างนี้วินฟิลลิ่งท่านบอกว่ า, วาโอ้ยผมมีความรู้สึกเป็นก้อนจุกคอ fashion ลําะลำเป็นว่าก้อนก้อนหนึ่งเป็นก้อนอินวันโครสก้อนจุกขอดีใจเห็นคนไทยตักบาเห็นคนไทยตัวน้นอยๆรู้จักนบพระสงฆ์องค์เจ้ากลับมาวัด เห็นพระเนรในน้อยหนังสมาธิท่านสวดมนต์กลางวานก้องกันพระแขกอินเดียบอกน้ำตาไหลซส่มปีติป่าโมดขนลุกขนทองอยู่อินเดียบ้านเกิดพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่เคยพบสภาพเช่นนี้ท่านอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์ท่านบอกว่าข้าวก็ต้อง มีคนนึ่งให้กินเขาจ้างมานึ่งให้กินเป็นประจําหุงให้กินไม่ใช่นึ่งทําอาหารให้กินเป็นเงินของรัฐบาลของประเทศศรีลังกาส่งมาให้จึงได้กินไปมินท บ, บานเี่ยโอ้ยแล้วแล้วผู้ใดจะใสยให้นี่ทํำไมประเทศอินเดียจึงไม่มีพุทธศาสนาบนรรพบุรุษรักษาไว้ไม่ตลอดลอดสั่งถึงลูกถึงหลานพอซ้อนหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบสองเมื่อเอิดเออดไม่มีอีกเลย แต่บรบรพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเหล่านั้นท่านได้รักษาพุทธศาสนามาถึงเราในช่วงนีน้ช่วงเทคโนโลยีสูงช่วงยุคไฮเทคยุคพุทธัตนเอทอะไรอะไรมัน ก, ก็กดปุ่มกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่ายุคกดปุ่มพุทธัตน์เอ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กดปุ่มเป็นรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปเติ ح, มเติมโป่งเติมป้ายเนี่ยเนี่ยุคกดปุ่มเพียงแต่กดปุ่มจะแก๊กเติมเจ้าทรกนั่ง ก, ก, กระไดเงินในทองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพูดแล้วก็พูดอีกฝรั่งซื้อลอใหม่มาให้อาตมาเติมคิดอย่างไงก็บอกว่าไปให้อาจารย์สมภพเติมดีกว่าฝรั่งเยอรมันลูกติดมาอยู่ที่นี่แหละเขาไปมีลูกไม่มีเงาซื้อลถใหม่มาเติม เนื่งยังไงออมาก็าเจอเป็นภาษาอังกฤษอบอก Drive carefully with my f u n e t บอกรับด้วยความระมัดระวังด้วยมีสติสมัชัญญย Don't be careless เขียนอย่างนี้เจออย่างนี้เป็นภาษาฝรั่งยังนี่แหละมันจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นยุคพุทบัตรเอง เราอย่าไปมัวกดปุ่มเจิมแต่ป้ายอย่าไปมัวกดปุ่มเปิดป้ายถุงนูนตรงนี้เริ่มมาระดมทำกดปุ่มเปิดทมประพฤติปฏิบัติทำกันดีกว่ามันจะดีจะงาม บ้านนี้เมืองนี้จึงจะยะอยู่รอดไปได้ศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านได้รักษามาถึงเราบัตรนี้เราจะรักษาต่อไปพระพุทธเจ้าว่ายาเป็นอันติมะบุคคลอยาเป็นอันติมะบุรุษยาเป็นอันติมะพิฆูยาเป็นพิษุองค์สุดท้ายต้องทาให้คนอื่นเดินตามหลังเรามาให้ได้คือเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามเรารักษาไว้ได้อย่างดีงามอย่างนี้ลูกหลานจะได้รักษาต่อไปสุขโต ว, วาทิคเวโลเกติธรมาโนสุขตาวินายโยนี่ ติทัศน์สะพหูชนะสุขายาพหูชจะเหตตายะโลกานุกรรมตายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนพิสุท์ทั้งร้ายเมื่อใดทำวิในของเราระเบียบวินัยเราตถาคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นความสุขความสงบความร่มเย็นประโยชน์อันยาวนานย่อมมีแกเทวดาและมนุษย์เพื่ออนุเคราะห์แกโลกนี้เพียงนั้นท่านพูดแล้วพูดอีกว่า ถ้าหากยังมีศาสนามีธรรมม่วินัยคำสอนของท่านอยู่ในโลกนี้เพียงใด น, นั้นความโชกความสงบความร่มเย็นย่อมเกิดมีแก่โลกนี้โยเพียงนั้นเพราะเหตุ น, นั้นเราต้องการความสุขเราต้องการความสงบร่มเย็นสังคมอันดีงามพระ ก, กันฉันที่ฉันน้องเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมเรียกร้องพลังงานแห่งธรรมคือความดีความงาม ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปให้มันถูกต้องตามทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมให้สังคมมีระบบชีวิตมีระเบียบอันดีงามโดยอาศัยอํานาจศีลศีลหรือวินยัยนั่นจะทําให้สังคมนี้เป็นสังคม ที่มีระบบให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีระเบียบเรียบว่าไมีระเบียบแห่งชีวิตและมีระบบแห่งสังคมที่ดีงามส่วนธรรมลึกลงไปเพื่อขจัดทุกขจัดปัญหาหัวใจที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันอยู่อย่างจิตใจแจ่มใสเบิกบานสะอาดจิตใจบริสุทธิ์สว่างสวด้วยสติปัญญาสงบ รอมเย็นจำไซเบิกบานด้วยสมาธิสามประการเนี่ยเราจะต้องเรียกร้องให้ทําลักษณะที่เรียกว่าโลกุตละหรือว่าสัจธรรมให้เกิดมีอบรมกันพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นพายาธายอมทำห้าอย่างนี้เราก็จะสามารถรับมรดกทางธรรมเรียกว่าธรรมทาญาต ผู้รับมนมังสังคยาทางธรรมไว้ให้แก่โลกแก่สังคมดังที่พระพุทธเจ้าท่านหวังเอาไว้ถ้าท่านเปิดพระไตรปีดกธรรมธายาทโสมูลปัณนาฏมชมานนกายเล่มที่สิบสองข้อที่ยี่สิเ็ดหน้าที่เอดมีข้อความตอนหนึ่งว่าลูกก่อนที่สุดทั้งหลายความห่วงใยของเรามีอยู่มีต่อเธอทั้งหลายว่าทำาไหนหนอเหตดจังไดนอว่าอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเรา เหตุจังไรเนอพระสององค์เจ้าสิทธิ์ของเราแ ต, ต่ถาคตจึงจะเป็นธรรมะทายาทผู้รับมรดกรับช่วงสิ้นช่วงธรรมอันถูกต้องดีงามของเราไว้พิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ารับเพียงอามิสทายาทพอได้นอนกุฏีฟีๆได้กินข้าวฟีๆอยู่ดีมีเฮงสบายซื่อๆพวกมุนีเรียกว่าอามิสทายาตรับมูลมังสังขัญญาทางอามิส ท่านหวังและเป็นห่วงว่าทำฉาฉไหนหนอเห็ุจังใดดีเพราะฉันสาวกของเราจึงจะเป็นธรรมะฐาณา เ, ออเวลาของเราก็หมดด้วยความจำเป็นเพียง